I've been. พอพรานคนดีพอรุ่งเช้าโอ้เท้าอัชราพ่อรียบยาตราออกกันพี่ลา่อนแล้วนะหลานตาพอดีเจตตบุตรก่เชีเชย ทรงกางวานทรงเสียงวานรังอ่อมใเข้าใจเต็นมามองเห็นตกโถเอ๋ยชูชกจังหน้าทรงตาเข้าคิดถึงเมียยอดเยาวว่ามานันแม่ยอดปรงตาอามิตะดาเดินทางคนเดียวให้แสนเปลี่ยน